ระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่14ประสูตรที่52อินทริยะภาวนาสูตรสูตรว่าด้วยการอบรมอินทรีคำว่าอินทรีในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพระผู้มีพระภาคประทับนบป่าภัยใกล้นิคมชื่อกัดจังคลา ตรัสถามอุตตรมานบผู้เป็นสิทธิ์ของปาราสิริยะพรามว่าพรามผู้นั้นแสดงถึงการอบรมอินทรีย์แก่สาวกอย่างไรมานบกราบทูลว่าพรามสอนไม่ให้เห็นรูปไม่ให้ฟังเสียงพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นคนตาบอดหูหนวกก็จะชื่อว่าได้อบรมอินทรีย์ด้วย มานพก็เกอ้อเขินนิ่งก้มหน้าจึงตรัสกับพระอนุ์ว่าตาราสิริยพราหมณ์แสดงการอบรมอินทรีย์แก่สาวกต่างจากการอบรมอินทรีย์ในอริยวินัยคือวินัยของพระอริยเจ้าเมื่อพระอนุ์กราบทูลขอให้ทรงอธิบายจึงตรัสแสดงถึงการอบรมอินทรีย์เมื่อเห็นรูป ฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโหดทพะและรู้ธรรมะว่าความพอใจความไม่พอใจหรือทั้งพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่าทันว่าเกิดขึ้นแล้วแต่เป็นของหยาบอันปัจจัยปรุงแต่งส่วนความวางเฉยเป็นของสงบระงับและปราณีตทรงสรุปว่า ทำอย่างนี้เป็นการอบรมอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยแล้วทงแสดงถึงข้อปฏิบัติของเสขะคือพระอริยบุคคลที่ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ยังศึกษาอยู่แสดงข้อปฏิบัติของเสขาว่าเมื่อเห็นรูปเสียงเป็นต้นเกิดความพอใจไม่พอใจหรือทั้งพอใจทั้งไม่พอใจขึ้น ก็เบื่อหน่ายเกลียดชังความรู้สึกพอใจเป็นต้นที่เกิดขึ้นนั้นทรงแสดงการที่พระอริยเจ้าอบรมอินทรีย์แล้วคือเมื่อเห็นรูปเสียงเป็นต้นเกิดความพอใจเป็นต้นใครจะอยู่อย่างกำหนดหมายความว่าไม่ปฏิกูลคือน่าเกลียดในสิ่งปฏิกูลกำหนดความหมาย ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลกำหนดความหมายว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลกำหนดความหมายว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและปฏิกูลหรือใครจะเพิกถอนทั้งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอยู่อย่างวางเฉยมีสติสัมปชัญญะก็ทำได้ทุกอย่าง